แต่เชื่อเถอะยากกว่าจะรู้สึกว่าเสียใจที่ตัวเองไม่ได้บรรลุน่ยนะก็แต่ก็มีนะบอกว่าเสียใจเหลือเกินที่เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปเห็นสังวีชนียสถานแล้วร้องไห้เลยน่ยนะเสียใจมากที่ไม่ได้ฟังธรรมเสียใจมากที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเสียใจมากที่ไม่ได้บรรลุมรผลแต่เชื่อไหมคนเสียใจแบบนี้มีไม่กี่คนโดยมากเสียใจเพราะเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเนี่ยนะเรื่องที่มันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์นะแต่เรื่องแบบนั้นเราเสียใจค่อนข้างบ่อย ก็แสดงว่าวิจารณญาณไม่แม่นเรื่องไหนควรเสียใจเรื่องไหนไม่ควรเสียใจเนี่ยนะมาเขาว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเทวดาทั้งหลายเขาเสียใจอะไรเสียใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานเร็วนักเนี่ยนะแสดงว่าเขามีอทายาศัยน้อมไปเพื่อการบรรลุมรรคผลแต่ถ้าคนที่ไม่มีอทายาสัยน้อมไปเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยนะพวกนี้จะไม่เสียใจในสิ่งที่ควรเสียใจไปเสียใจในสิ่งที่ไม่ควรเสียใจเนี่ยนะก็เรียกว่า พลาดจากมรรคผลเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรเสียใจมากแต่พลาดจากอย่างอื่นไม่ควรเสียใจเลยเนี่ยนะเช่นไปไม่ทันงานเลี้ยงบางงานเนี่ยดื่มเหล้าเมายาเนี่ยโอ้ยดีใจที่พลาดเนี่ยไม่ต้องไปเสียใจงานเลี้ยงแบบนั้นรอกเนี่ยนะมันก็ต้องแยกประเด็นว่าอะไรควรดีใจอะไรควรเสียใจเนี่ยนะไปเสียใจไปทั่วไปหมดเลยก็ลำบากท่านบอกว่าไอ้ความเสียใจที่เกิดจากคิดว่าตัวเองไม่ได้บรรลุมรรคผลท่านยกตัวอย่างว่า พโยคยีคือผู้ที่เจริญสมถวิปัสสนารับเอาข้อปฏิบัติ3ระยะ3เดือนคือตั้งไว้ว่าภายใน3เดือนต้องบรรลุภายใน6เดือนต้องบรรลุ9เดือนต้องบรรลุเมื่อรับเอาข้อปฏิบัตินั้นไปแล้วสืบต่อพยายามสืบเนื่องปฏิบัติเนี่ยนะเวลาที่กะเอาไว้นี่และเราคงบรรลุอรหัตผลแต่ก็ไม่สามารถจะบรรลุได้นี่นะก็เสียใจอย่างรุนแรงสายน้ําตาก็ไหลพรั่งพรูเหมือนพระหมหาปุษฏะเทวะเทระชาวบ้านระเบียง ก็บอกเรื่องของท่านมีอยู่ว่าพระเถระบาเพ็ญคตาบำเพญ็เพญวัดปัจจาคติกวัดเนี่ยนะขะตะปัจจาคติกวัดวัดในการบริหารกรรมฐานนํากรรมฐานไปนำกรรมฐ า, านกลับเจริญกรรมฐานต่อเนื่องประมาณ19ปีเพราะท่านผูกใจไว้ว่าวันนี้วันนี้เราจะต้องยึดอรหัตผลให้ได้คิดอย่างนี้อยู่19ปี19ปีผ่านไปพอถึงวันปวารณาก็ไม่ได้บรรลุเหรอหยาดน้ําตาก็ไหลเป็นสายน้ําตา นะปีที่19ไม่บรรลุแต่ปีที่20่ปีที่19ร้องให้ปีที่20เป็นพระอารหันต์เนะนะนี่ยนะเพราความเสียใจที่ว่าทําไมตัวเองไม่บรรลุสักทีทําไมไม่บรรลุสักทีความเสียใจเหล่านี้จะนํามาซึ่งความขวนขวายความเสียใจเหล่านี้จะนํามาซึ่งการปฏิบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอุ ก, กิลขึ้นไปเป็นเป็นความเสียใจที่น่าเจริญแต่ถ้าเสียใจเรื่องอื่นเนี่ยนะรู้สึกผิดหวังกับเรื่องอื่นๆแล้วเสียใจเนี่ยนะยาก อย่างสมมุติว่าเราเสียใจว่าทําไมเราไม่บรรลุสักทีหนึ่งมันจะน้อมไปเพื่อบรรลุใช่ไหมถ้าน้อมไปเสียใจทําไมของเราหายเราเก็บไว้ตรงนี้ดีๆทําไมมันหายเนี่ยนะใจมันก็จะหมกมุ่นหาแต่สิ่งนั้นเน่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนจเมื่อไหร่จะบรรลุเอาเพราะถ้าเก็บแก้วไว้สักใบหนึ่งแล้วมันหายอยังไงนะคิดถามว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนคิดว่าจะได้บรรลุไหมยากแต่ว่าเอ๊ะทาไมเราไม่บรรลุอรหัตตผลเนี่ยเสียใจเนี่ยนะใจมันก็ยังน้อมไปที่จะ บรรลุก็สามารถที่จะบรรลุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความเสียใจอันนั้นควรเสียใจเหมือนกันคําว่ า, วาย่อมรับปฏิฆะด้วยโทมนัสนั้นอธิบายว่าจะเอาโทมนัสนั้นละปฏิฆาไม่ได้หรอกจะเอาปฏิฆานั่นเองไปละปฏิฆะก็ไม่ได้ถือเอาโทมนัตไปละโทมนัตก็ไม่ได้แต่ความหมายว่าภิกษุนี้รับเอาข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตั้งใจไว้ว่าภายในสามเดือนเป็นต้นพิจารณาอย่างนี้ว่า ภิกษุเธอดูสิเธอเนี่ยมีฐานะเลวด้วยศีลด้วยวิรยิยะหรือด้วยปัญญาหรือก็สํารวจดูว่าเอ๊ะทําไมเราพายตั้งนานแนละ้วปฏิบัติมาตั้งหลายแนละ้วทำไมเราไม่บรรลุหนึ่งสอบถามอ่ะเพราะอะไรศีลของเราหมดจดดีหรือไม่ชัมเช็คศีนตัวเองไหมตรวจสอบศีลหนึ่งสองประคองวิริยะดีมาหรือเปล่าวิริยะเนี่ยจเจริญมาต่อเนื่องดีไหมสามแล้วปัญญาล่ะแก่กล้าขนาดไหน เมื่อพิจารณาแบบนี้ก็บอกว่าบัดนี้เราจะไม่ยอมให้โทมนัสเกิดขึ้นอีกทำความเพียรให้หนักหน่วงภายในสามเดือนภายในหกเดือนภายในเก้าเดือนก็สามารถที่จะถอนปฏิฆาด้วยอนาคามิมักได้อย่างเด็ดขาดนี่แหละเรียกว่าใช้ปฏิฆาละปฏิฆาใช้โทมนัสละโทมนัสเนี่ยนะมาต่อไปจะเลิกเสียใจต้องปฏิบัติให้ข้ามความเสียใจอันนี้ให้ได้นะ ในตอนแรกเขบอกว่าเสียใจเพราะไม่ได้บรรลุนี่ควรเสียใจตอนหลังเมื่อเสียใจบ่อยๆจะต้องปฏิบัติกำจัดไอ้ความเสียใจในเรื่องนี้ให้ได้อีกทีหนึ่งหมายค่ะว่าจะต้องบรรลุมรรคผลเป็นที่ดับความเสียใจอันนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นปฏิคานุสัยไม่นอนเนื่องในโทมนัสแบบนั้นเสียใจที่ไม่ได้บรรลุเนี่ยน ะ, ะปฏิคานุสัยหรือโทสะไม่นอนไม่ไม่อาศัยเรื่องนี้หรอก เพราะในโทมนัตแบบนั้นปฏิคานุสัยไม่นอนเนื่องปฏิคานุสัยไม่ปรารบโทมนัตที่เสียใจเพราะว่าตัวเองไม่ได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะพวกนี้จะไม่เสียใจจะดีใจไม่เออเราไม่รู้จักเสียใจในเรื่องที่ควรเสียใจใช่ไหมไม่ไปเสียใจเรื่อยเปื่อยไปหมดไหมใช่ได้เสียใจในสิ่งที่ควรเสียใจเพราะฉะนั้นไอ้ความเสียใจอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความภูมิใจนะเป็นที่ตั้งแห่งอนุสติให้ภาพเพียรมีฉันท่าอุตสาหะเพื่อการ บรรลุยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปในหน้า332บเนี่ยนะบรรทัดที่ห้จาจดจักบนคุณวิสาขะนหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขละทุกขเสียดับโสมนัสและโทมนัสทั้งสองศูนย์ไปก่อนเนี่ยนะก็คือดับสุขทุกดับโสมนัสโทมนัสได้บรรลุจตุทชัชฌานฌานที่สอันไม่มีทุกไม่มีสุขเนี่ยทุกขมสุขเนี่ยนะ มีความที่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อุเบกขาและมีอุเบกขาแล้วแลย่อมละอวิชชาได้ด้วยจตุทชานนั้นอวิชานุสัยย่อมไม่ตามนอนอยู่ในจตุทชาณหมายคำว่าผู้ที่ได้จตุทชาณคือข่มอวิชชาแล้วเจริญจนได้ฌานที่สอาศัยฌานที่สี่เป็นบาตเจริญวิปัสสนาก็แทงตลอดอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้น อ, อุเบกขาในจตุทชาณจึงเป็นเครื่องละอวิชานุสัย อันนทวนอีกครั้งหนึ่งว่าราคานุสัยละได้โดยอาศัยปฐมฌานหมายคือว่าเจริญจนได้ปฐมฌานและอาศัยปฐมฌานจนเป็นบาทรพิกเจริญวิปัสนาจนได้บรรลุอริยมรรคเพราะฉั้นปฏิคานุสสะสุขเวทนาในราคานุสัยราคานุสัยละได้ด้วยปฐมฌานทุกเวทนาละได้เพราะอาศัยโธมนัสอาศัยเนคขมะเสียใจที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะความเสียใจอันนี้เป็นเหตุใกล้ให้บรรลุ มรรคผลและก็อุเบกขาเวทนาหรืออวิชานุสัยเนี่ยละได้เพราะจตุทชานเนี่ยนะเจริญจตุทชาเป็นบาทแล้วก็เจริญวิปั ส, สนาจนได้บรรลุอรหัตมรร ก, ก็กำจัดอวิชชาได้อย่างเด็ดขาดทีนี้คำถามในหน้า332เนี่ยนะข้อ512วิสาขาอุบาสกก็ถามว่าอะไรเหมือนอะไรอะไรต่างจากอะไรพระเมเจ้าสิ่งใดมีส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนา คือสุขเวทนานี่มันเปรียบเหมือนอะไรท่านบอกว่าความกำหนัดเป็นส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนาความกำหนัดเนี่ยนะก็คือราคานั่นแหละราคะความย้อมใจเนี่ยเป็นส่วนเปรียบแห่งความสุขหรือส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนาเอาแล้วอะไรล่ะเป็นส่วนเปรียบแห่งทุกขเวทนาบอกว่าปฏิฆะโทสะกระทบกระทั่งในใจนี่เป็นส่วนเปรียบของทุกขเวทนาก็คือคิดง่ายๆว่าราคาเนี่ยดูจากอะไร สังเกตดูเอช่วงนี้เราราคะราคะหรือโทสะเกิดดูจากอะไรถ้ามีความสุขสุ ข, สขที่ไม่มีกุศลอยู่เลยนะไม่มีกุศลประกอบเลยแต่รู้สึกว่าสบายมีความสุขแล้วกุศละจิตก็ไม่ได้เจริญเนี่ยแปลว่าอะไรราคะเจริญอย่างเดียวโตเอาโตเอาเอานี่ยนะไม่มีเรียกว่าไรไม่มีโทสะมาขัดคอเลยนะไม่มีกุศลมาขัดในระหว่างเลยมีแต่ราคะล้วนๆสืบเนื่องไปเนี่ยนะ ม่มีความสุขแล้วเกินสุขในทานใช่ไหมอกไม่ใช่สุขในศีลใช่ไหมไม่ใช่สุขในสมถาวิปัสนาใช่ไหมไม่ใช่แต่มีความสุขก็แล้วกันราคาลุนล้วนเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยบอกได้เลยว่าเออเนี่ยราคะทั้งนั้นแหละพวอกแมสคื อ, ค, อคือมันมันไม่ดีไปทุกเรื่องเลยเนี่ยนะอันโน่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้โอ้แอนน์ก็ไม่สบายใจคิดแล้ววิตกกังวลอันนี้โทรศัพ์ง่ายง่ยงยงยเลยเนี่ยนะ โทสะอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้คนนั้นก็น่ารำคาญคนนี้ก็น่าหงุดหงิดเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้โทสะอย่างเดียวแล้วโมหะล่ะสิ่งใดมีเป็นส่วนเปรียบแห่งอุทุคขมสุขเวทนาบอกว่าอาวิชชาความไม่รู้แจ้งเนี่ยนะอวิชชานี่ยแหละเป็นส่วนเปรียบแห่งอุทุกขมสุขเวทนาคือหมายความว่าราคะก็ดูจากสุขวังนั้นแต่โทสะก็ดูจากทุกอวิชชาก็ดูจาก ทุกขมสุขเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพูดราคะก็เท่ากับพูดความสุขถ้าพูดความสุขก็เท่ากับพูดราคาเพราะมันเหมือนกันกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันเนี่ยนะอันนี้ฝ่ายวัตตนะพูดถึงความทุกขโทสะอันเดียวกันพูดถึงอุเบกขะกับอวิชาในพวกเดียวกันเนี่ยน ะ, ะแล้วสิ่งใดเปรียบเทียบกับอวิชาก็ความไม่รู้แจ้งชัดในอริยศาสนั่นแหละไอ้ความไม่รู้คือดูได้ยังไงว่านี่อวิชชาชัดๆเลยเนี่ยนะดูจากอะไร เคยเห็นอริยสัจไหมไม่เห็นอริยสัจแล้วบอกว่าฉลาดได้ยังไงอ่ะเก่งเหลือเกินเนี่ยนะเก่งจริงๆฉลาดมากเห็นอริยสัจหรือยังบอกยังเลยฉลาดยังไงไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะบางคนก็บอกเขาเก่งมากจริงๆและความสามารถพิเศษหลายอย่างนะบอกเห็นอริยสัจหรือยังแม้เราจะบอกว่าเขามีวิชาก็พูดไม่ถูกนะเพราะบอกว่ารู้ไปทุกเรื่องแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะดับทุกได้ยังไงเนี่ยนะอันน่าเห็นใจไหมล่ะอ่ะเขบอกว่าเขาบอกรู้ไปทุกอย่างไปหมดเนี่ยนะบอก แม้อริยสัจไม่เห็นจะรู้ได้ยังไงเพราะความรู้ในพุทธศาสนาให้ความสำคัญว่าความรู้ชัดในอริยสัจนั่นแหละถึงจะดับอวิชชาได้เพราะอะไรเพราะรู้หลายๆอย่างอย่างอื่นไม่ได้นำมาซึ่งพ้นจากโศกะเลยก็มีโยมคนหนึ่งก็เลาว่าเขาเนี่ยนะเขามีความรู้จนเป็นทุกข์เขาว่าั้น เขารู้มากจนเขาทุกข์เหลือเกินรู้ว่าคนนั้นควรทําอย่างนั้นก็ไม่ทําคนนี้ควรทําอย่างนี้ก็ไม่ทํานี้เขารู้สึกทุกข์กับทุกคนเลยว่าทําไมเขาไม่ทําในสิ่งที่มันสมควรทําตัวเองก็เลยทุกข์เลยเขาว่างั้นเขาบอกเพราะเขาเขาก็ให้เหตุผลว่านี่แหละเพราะเขารู้มากเขาจึงเป็นทุกข์เขาบอกว่าเหมือนรู้นะแต่วันจริงแล้วไม่ใช่ถ้ารู้จริงก็ต้องรู้ว่าเออรู้ว่าตัวเองอจะไม่ทุกข์ได้อย่างไร นั่นแหละจึงจะเรียกว่าคนรู้จริงครถ้ารู้จริงแล้วตัวเองจะดับความทุกข์ได้อย่างไรเรียกว่าคนมีความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเรามีความรู้จริงเนี่ยเราบอกดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้อย่างไรดับความทุกข์ในวัตฏะได้อย่างไรนั่นแหละจึงจะเรียกว่าวิชาเนี่ยนะเรียกว่าวิชาเรียกว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงเพราะความรู้ที่แท้จริงเนี่ยนะวิชามันทําให้เสียใจได้ไหมล่ะเอาความรู้เนี่ยความรู้ไม่ได้เป็นเหตุให้เสียใจเลยถ้ารู้จริง ในที่ที่เรียกว่าคิดว่ารู้นั่นแหละที่นํามาซึ่งความเสียอกเสียใจก็เป็นความเข้าใจผิดเท่านั้นเองแล้วถามว่าอะไรละ่ะเป็นส่วนเปรียบแห่งวิ ช, ชาก็บอกว่าพ้นจากราคาพ้นจากโทสะพ้นจากโมโมหานี่แหละเรียกว่าเป็นส่วนเปรียบของวิชาเรียกว่าดับกิเลสได้พ้นจากราคาโทสะโมหะพ้นจากความเศร้าหมองทั้งปวงนั่นแหละเป็นส่วนเปรียบของวิชาก็ดูว่าวิ ช, ชาเนี่ยถ้าพ้นกิเลสได้เนี่ยแหละเรียกว่าคนมีวิ ช, ชาแท้จริง มีวิชาบแล้วละ่ะจึงพ้นกิเลสแล้วอะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งความหลุดพ้นละ่ะบอกว่าพระนิพพานเป็นส่วนเปรียบแห่งความหลุดพน้นและอะไรเป็นส่วนเปรียบของนิพพานเฮ้ยเกินไปแล้วเนี่ยนะคำถามบอกว่ า, วาท่านล่วงเกินไปบอกาถามเกินไปเนี่ยนะเพราะอะไรถามอย่างงี้มันจบเป็นซะที่ไหนเนี่ยนะคำถามนี้ถามไปเรื่อยนี่เพราะฉะนั้นว่าไอการปฏิบัติทั้งหมดก็ปฏิบัติให้บรรลุนิพพานเนี่ยนะ เขบอกว่านิพพานมันเปรียบเหมือนอะไรมันยังจะต่อไปไหนอีกเหมืนน่ยมันก็ถึงที่แล้วเหมนน่ยนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าการประพฤติพรหมจารย์การประพฤติอันประเสริฐการเจริญอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาทั้งหมดก็เพื่อจะอย่างลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้านะอย่างเช่นที่บอกทำมังสารนังขะฉามิขะปเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าก็แปลว่าธรรมตัวนั้นเป็นชื่อของนิพพานนะ เราขอถึงพระนิพพานเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแปลว่าการขอเจริญกุศลธรรมทั้งปวงเพื่ออย่างลงสู่นิพพานเหมันการรักษาศีลการเจริญวิสุทธิ์ที่เจการเจริญกุศลธรรมเหล่าใดก็ตามก็เพื่อประโยชน์ในการอย่างลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้ามีที่สุดจบลงก็เพียงแต่นิพพานเท่านั้นเนี่ยนะ ทีนี้เมื่อจบลงที่นิพพานก็ไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วบางท่นเนี่ยอ้ามันก็จบแล้วอ่ะนะมันก็สำเร็จแล้วอนะ่ะก็เลยบอกต่อไปว่าอ่าถ้าหากว่าท่านจำนงหรือมีความประสงค์อยู่สายเพิ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามเรื่องนี้ทั้งหมดเถิดพระพุทธเจ้าตรัสพยาการแก่ท่านฉันใดท่านก็ทรงจาข้อพยกณ์เอาไว้ฉันนั้นเถิดอ น, น, นผู้ที่ตอบ พระเป็นพระอรหันต์นะตอบด้วยความรู้จริงด้วยแต่ก็บอกว่าทั้งหมดนั้นนะนะว่าไปน่นไปเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรท่านก็จำเอาไว้อย่างนั้นเอาพระพุทธพจน์เป็นประมาณลำดับนั้นวิสาขาอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของนางธรรมตินาพิสุณีแล้วลุกจากอาสนะเนี่ยนะจากที่นั่งเนี่ยนะถวายนมสการกระทาประทักศิณ พระภิกษุณีธรรมทินนาแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลถามตราบทูลเล่าข้อปุจฉาว่าไปถามพระภิกษุณีธรรมทินนาอย่างไรและพระธรรมทินานาภิกษุณีตอบอย่างไรในที่ข้อที่ตนถามกับข้อความที่นางภิกษุณีธรรมทินนาพยากรหรือวิสัชนาทุกประการ ตั้งแต่ต้นจนจบคือว่าเล่าได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะเหมือนกับบันทึกเทพเอาเทพไปเปิดให้พระพุทธเจ้าฟังอีกรอบหนึ่งครั้นวิสาขาอุบาสกกราบทูลอย่างนี้จบลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาขะธรรมธินนาภิกษุณีเนี่ยเป็นบัณฑิตมีปัญญายิ่งใหญ่คือว่าเป็นผู้ที่มีมหาปัญญาและข้อความอันนี้แม้หากว่าท่านจะมาถามตถาคตตถาคตก็พึงพยากร ก, รกล่าวแก้ข้อวิสัชนาอย่างนี้เหมือนข้อความที่ ธรรมธินนาพิสุนีพยากรณ์ให้ท่านฟังทุกประการไม่แปลกกันเลยอันนี้แหละเป็นเนื้อความเนื้อความนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นยังไง ท, ท่านทรงจําไว้อย่างนั้นเถอะคือถ้ามาถามเราในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ตอบอย่างนี้แหละว่าเพราะฉะนั้นไม่มีความต่างกันโดยอัฏฐะและพยัญชนะท่านก็บอกอัฏฐกถาบอกว่าเพราะพุทธพจน์ตรัสตรงนี้แหละก็เธอว่าพระพุทธเจ้าประทับตรารับรองแล้วว่า เป็นพระพุทธพจน์สูตรนี้ทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นพระพุทธพจน์เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรับรอง